นักปฏิบัติเหล่านี้เข้ามาเป็นฝึกฝนเป็นวิยากนช่วยเวลาหลวงพ่อไปที่ไหนทีมงานอันนี้ก็จะไปช่วยกันบางงานพระเราก็ไปไม่ไม่พอเพราะพระเราญาติโ ย, ยมจะฝึกง่ายกว่ากว่าพระเพราะโยมไม่มีไม่มีทิฏฐิมานะไม่มีลาบสาการะไม่มีเสียงไร้เสือนไม่มีคนกลาบไหว้เหมือนพร ะ, ะพระพอคนกลับพเยอะๆทิฏฐิมา น, น่ามันขึ้น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 ก็เก็บหมดนะพวกโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไม้ส้อยของกินเก็บไว้นะี่เก็บหมดอันนี้โยงเครือส่าเข้าไปที่ปราภิกุลเข้าไปแล้วส่วนใหญ่ก็เก็บมือถือก่อนเลยนะเพราะเป็นชนวนที่ให้ทำบุญไหว้ดังนั้นทางวัดเราก็เลยเที่ยวนี้จะให้เปลี่ยนให้ท่านหล อ, องตาสมรักแล้วก็ท่านอู๋ไปเข้า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 แต่ถ้ามีกูศลพอแล้วมันจะได้ไม่ทุกออกไปจะได้พัฒนาช่วยงานหลวงพอได้นะเพราะฉะนั้นก็ก็พรุ่งนี้เราออกเช้าหน่อยประมาณสักเจ็ดโมงะนะไปถึงโน่นก็อย่างแล้วก็สิบโมงเตรียมโน่นเตรียมนี่ก็สันเพลนแล้วก็เตรียมที่จะเข้าค่ายแล้วอาจารย์ดวงศิลก็เดินทางพรุ่งนี้ก็คงมาถึงมือลื่นนี้ก็ไปที่โน่นเลย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 ไม่ม า, ข า, ข า, ขา เ, เข้าค่ายหลวงพ่อชักเดินไปก้าวหน้ากว่านี้อีกสามปีสี่ปีละไรไปนั่งเดินธุดงมันทรมานตัวเองแล้วไม่พัฒนากรรมภูมิฐานกรรมฐานไม่รู้จะไปเท่าไหร่ <c ười> ไ้นั่งแห่กันอยู่นะัะนนู้นเยก็เลยว่าอยากจะให้มาปฏิบัติทำทางเนี้ยมันเร็วใายก็รับได้นะนรับได้ก็ทําธุดงแ ห, ห่กันไปแห่กันมาก็อยากจะให้อยู่กับที่ปฏิบัติอย่างจริงจังอนะ นั่นเรามาเดินจากแดดกันนะแต่ถ้าอยู่กับพี่ปฏิบัติจริงจังมันก้าวหน้าได้ไวกว่าเรือว่าเขาสนใจนี่หนุพ่อจะได้ไปพาไปเผยแพร่ในต่างประเทศได้ภาษาเขาก็ดีฉะนั้นก็พวกเราอยู่เบื้องหลังนะพอมีอะไรก็เก็บรวมๆกันไว้ห้าวันสิบวันยี่สิบวันก็ไปส่งทันทีนี่ให้มาเร็วไปแค่นี้จากนี้ไปก็วันสองสามชั่วโมงนะก็รถสําหรับรถ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 น่าจะไหวอยู่เนาะถ้าไม่ไหวก็ใส่ยัดใสก่กระโปรงไปคนนึ่งตัวเล็ๆกๆใส่กระโปรงนอนไปเลยนะเดยคือหลังคานะรู้ว่ากันแทกอยู่รถตู้นิ้วว่างนะเพเดินเรื่ๆสองคนพอแท่กไปกับนี่ได้ตู้รถกกบนะตู้แล้วก็รถพิกอัพีพ่อัพคันหนึ่งเนาะ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 อสอบอารมณ์แล้วก็เจ็ดโมงก็รับอาหารเชา้าจากนั้นก็แปดมงถึงสเอดมงก็ไปปฏิบัติร่วมกันอพอฉันอาหารสายเสร็จก็ไปปฏิบัติส่วนตัวถึงสี่มงก็ถึงห้ามงมาสอบอารมณ์หโมงก็อาบดาอาบาเจ็ดโมงเข้ามานั่งปฏภาวนา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 สามที่สี่มาทําวัดสวดมนต์ร่วมกันในค่ายอาจจะต้องใช้หนึ่งซื้อสวดมนต์ไหมใช่ใช่ช่วงช่วงแรกๆกอย่างใช้่ช่วงแรกนะแล้วคงจะเอาเขาคงที่ปะกุลคงจะมีเยอะอยู่อะนะเใช่เป็นต้องไม่ต่ อ, อไปอะไรตกลงนะหนุ่นยถามเพื่อนเพื่อนรู้ว่าใครบ้างจะไปเข้าค่ายได้ถ้าไม่ไปเข้าค่ายก็ต้องเป็นฝ่ายส่งเสีบเบียง ่อจะได้มีความก้น้าไปหาเพื่อนเพื่อนข้างหน้าได้ตกลงไม่มีอะไรไหมพ่อเต๋วหัดหัดข้องอะไรไหมสงสัยอะไรไมพร้อมนะวันหลังเา็ายายติมไปช่วยครัวว่าคุณด้วยยนายนั่นก็นือนกันถ้ากลับจากนู่นมาก็คงจะมาแวะช่วยควรัวว่าคุณหนะ่